บทที่หนึ่งร้อยสามสิเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นและเห็นชัดในพริปตาแรกว่าลักษณะของมันเหมือนเหี้ยหรือตะกวดแต่ขยายขนาดขึ้นไปถึงขนาดเรือเอี่ยมจุนบันทุกข้าวลิ้นสองแฉกแลบพุ่งแปรปลาาออกมาแดงฉานไม่ผิดอะไรกับเปลวไฟขนาดที่มันเอาขาคู่หน้าและบริเวณอกตอนบนคล่อมทาบกับชายฝั่ง แล้วก็คลานไตขึ้นมาอย่างแช่มช้าชนิดที่สุนทุมพุ่มพฤกที่ขึ้นอยู่ในละแวกนั้นแหลกยับเอ็นลุกครั้งแรกก็ตัวเดียวก่อนพริบตาต่อมาเงาทะมึนของตัวที่สองสามและสี่ก็โผล่ขึ้นมาหเห็นตามลำดับตามแนวชายฝั่งน้ำนตื่นนั้นมันยังไม่สนใจเห็นมนุษย์กลุ่มใหญ่ที่กำลังจะรุดหน้าผละไปให้เร็วที่สุดเพื่อออกไปให้ห่างจากชายฝั่งเหล่านี้ หากแต่ยังสนใจไปยังซากของเทอราโนดอนซึ่งนอนกองอยู่บนฝั่งและพวกที่โตกกลาดเกลื่อนรงบริเวณน้ำตื้นขณะจิตต่อมาก็ตะกายพลูพุ่งเข้าไปงับที่ซากเหล่านั้นแย่งชิงกันโดยเร็วยังดุดันเป็นโกลาหนน้ำบริเวณที่ตื้นแตกกระจายตูมตามและกัดฟัด ต, ต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิงเออยื่อยางดูร้ายพร้อมกับคารามลั่นพุ่งพงแมกไม้แหลกเป็นแปลงปรากฏดันสนั่นหวั่นไหว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 ปวดหลังพักพวกที่กําลังแตกตื่นอโหมานในภาพที่เห็นในขนาดนี้ไปอย่างไม่คิดชีวิตพร้อมกับโอบมือร้องตะโกนต่อให้พวกนั้นรีบพละหนีต่อไปเกิดการชุลมุนกันอย่างขนานใหญ่ขึ้นอีกครั้งรพินนั้นวิ่งหันหน้าหันหลังหน่วงทายเขาเองก็แทบจะช็อกไปเหมือนกันในภาพที่เห็นหากแต่ควบคุมสติมัน่นโอกาสที่จะหนีรอดพละไปให้ห่างนั้นมีอยู่อย่างเดียวตรงที่พวกมันกําลังกัดฟัด ก, กันเองเพื่อยื้อแย่งเยือ่อ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 แล้วแล่นโครมครามกันไปในบริเวณน้ําขังพื้นที่ของป่าชิดกับชายทุ่งแต่ดารินชายันและมาเรียเริ่มภาวะผวางด้วยความเป็นห่วงสองคนรังทายเบื้องหลังมีใหญ่ที่เชิฐ้าจะวิ่งตรงเข้ามาและร้องตะโกนสั่งให้วิ่งหนีไปก่อนเช่นไรก็ตามทั้งสามคนมองเห็นเจ้าสัตว์ไรฝูงนั้นอย่างถนัดและสัญชาตญาณก็บอกได้ทันทีว่าอันตรายล่อแหลมเพียงใดสําหรับเชิฐาและรพินซึ่งอยู่ใกล้พวกมันที่สุดในขณะนี้ ระวังขอช่วยยิงสกัดไว้ถ้ามันเกิดไล่สองคนนั่นชัยยันร้องเสียงหลงยกปืนขึ้นประทับเตรียมพร้อมดารินกามาเรียจึงตื่นจากภาวะเงื้องะอันตัดสินใจยังไงไม่ถูกตกลงใจแน่วแน่แนตามคําบอกของชัยยันคือยืนคุมเชิงปักหลักมั่นประทับไรเฟิลคอยระวังไว้แล้วก็จริงดังว่าไอตัวนึงเหลือเห็นการเคลื่อนไหวของเชี่ากับระพินเข้าพอดีเป็นตัวที่ขึ้นมาพายหลัง และหมดโอกาสจะแย่งชิงเหยื่อจากซากเทราโนโดอนเพราะตัวอื่นฆ่าไปหมดแล้วรวมทั้งที่ถึงกระชาติแย่งชิงกันด้วยมันชูคอคอยสังเกตอยู่ไม่ถึงอึดใจก็แลบลิ้นปลาปลาตะกายจากที่ดอนชายฝั่งลงน้ำโครมพุ่งเสือกตัวปลาปลาปล า, ปลาติดหลังระพินเข้ามาโดยเร็วใช่ยันลแต่ไปเชทิทานซึ่งกาลังวิ่งโบกมือตรงเข้ามามาเรียก็วาดปืนยางรวดเร็วที่สุด บังเอิญในศูนย์บังเข้ากับใบหน้าของพรานใหญ่เองซึ่งบัตนี้กําลังวิ่งอยู่ยังไม่คิดชีวิตจึงมีดารินคนเดียวเท่านั้นที่มองเห็นเป้าหมายโดยไม่มีอะไรบงังหลอนระเบิดจุด300ศูนย์ศ์เวทแม็กออกไประหว่างนี้เองกระโดดลงไปอยู่ในน้ําพื่อแน่ ใ, ใ, ใจที่สุดว่าวิถีกระสุนจะไม่พลาดไปถูกพี่ชายหรือพรานใหญ่ซึ่งวิ่งสวนหน้าเริดเข้ามากระสุนนัดนั้นแหวกอาการเฉียดศรีรษะของเซตเชี่าไปศอกเดียว แล้วผ่านสีข้างพานใหญ่ด้านซ้ายสวนก็พอดีกา้านคอของเจ้าตัวที่กําลังกวดไล่หลังรพินอย่างถนัดทนันีดินพื้นผู้หญิงคนนี้ทำบาปขึ้นตูมเดียวได้ที่ไอ้จิ้งจอกน้ําตัวมะฮือมาที่กําลังกวดติดหลังจีมาหงายท้องพึงดิ้นเป็นวงกลมน้ําแตกกระจายอยู่ตรงนั้นเองห่างจากด้านหลังของรพินไม่เกินสี่ห้าว่าโดยที่จอมพานหารู้ตัวไม่ว่าถูกกวดมาติ ด, ตด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 เนื่องจากตัวเองรังทายแทนที่ใจจริงพรานใหญ่กลับทรุดลงนั่งราบกับพื้นทันทีเขาไม่เกรงอันตรายจากไอ้ฝูงจิ้งจกน้ำเหล่านั้นเพราะถึงยังไงลงได้ปักหลักคิดจะสู้แบบนี้แล้วขอให้มันพุ่งเข้ามาเถิดตัวลันนัดไม่มีเหลือแต่ที่กลัวที่สุดก็คือถ้าขืนวิ่งหรือยืนเกะกะอยู่อีกทําไม่ดารินมาเรียหรือมิฉะนั้นก็ชยัน อาจยิงมาถูกเขาคว่ำไปซะก่อนเพราะยืนขวางทางปืนอยู่คะเนนเละคาดการไว้ไม่มีผิดระหว่างที่นั่งงอบหันกลับไปจ้องเจ้าสัตว์รายอยู่พักพวกจากด้านหลังระดมสันโวกันหูดับตาบไม้เสียงหัวกระสุนวีดเสียอากาศผ่านเนือ้อศีรษะเข้าไปหางไม่ถึงวาจนต้องโหดหัวต่ำลงไปอีกต้นตระกูลจะระเทสองสามตัวที่กาลังพูฟราตราเข้ามาเหล่านั้น ก็มีอันถึงกับพลิกทองดิ้นทุรนทุรายเลือสากันไปตามตามกันบางตัวหมอบนิ่งอยู่กับที่ตรงนั้นเองและบางตัวก็ปัดเป๋กระโจนหนีโครมลงไปในทะเลสา์ไม่มีตัวไหนบังอาจเข้ามาถึงตัวเขาได้นั่นเป็นฝีมือของสองสาวเสียเป็นส่วนใหญ่ดารินกบมาเรียยิงได้เร็วและแม่นยำเสมอชนิดไววางใจได้ทาไม่ตื่นเต้นหรือตกประมาจนเกินไปนะัก ส่วนช้ ย, ยันยิงเอาดินและต้นไม้กระจุยไปเป็นแถบๆ แ, แต่ก็ได้ผลไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันในการไล่ให้มันเปิดหนีซะโดยเร็วเมื่อเสียงปืนสงบและพร้อมกับการอันตรธานหนีหายไปของเจ้าสัตว์ลายสะเทินนา้าสะเทินบกพวกนั้นพรานใหญ่ถอนใจเฮือค่อยๆลุกขึ้นมายืนและเหลียวกลับมาก็เห็นเชิดาไปยืนรวมกลุ่มอยู่ก่สามคนแล้วคนเหล่านั้นกาลังตะโกนเรียกเขาข่ม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 มองเห็นอยู่ทนท่อว่าคุณทั้งสามคนน่ะส่องไรเฟิลมาทางผมโอ้ยใจหายใจความหมดผมน่ะไม่กลัวถูกมันฆ่าไปหรอกแต่กลัวถูกลูกหลงซะมากกว่าใครก็ไม่รู้สิยิงเฉียวหูผมไม่องคูรีเดียวเท่านั้นละ่ะตอนลงนั่งราบกับพื้นน่ะฮึดูถูกฝีมือกันซิจริงรู่งยี่ยิงให้ความเขาเมาอยู่ตรงนั้นแล้วให้มันฆ่าไปเะรู้แล้วรู้รอดไม่รู้หรอกเหรอว่าไตัวที่ฉันยิงกลิ้งไปตัวแรกนะ่ะจมูกมันเน่ยอยู่ห่างก้นไปถึงสองวา ดารินพูดพลางหัวเราะพลางบรรจุลูกชุดใหม่เข้าแมกกาซีนแล้วผลักลูกเลื่อนเข้าที่พร้อมกับเหนี่ยวไก่อุบไว้เป็นการลดนกก่อนที่จะค่อยๆปิดกาดลูกเลื่อนลงพรานใหญ่มองหน้าไม่ตอบว่าอะไรได้แต่จุปากโขลศีษะช้าๆอยู่เช่นนั้นมารียบอกยิ้มๆ ม, มาอีกคนนึงว่า <c oughs> นี่ไม่ยากรู้นะว่าตอนที่คุณบอกให้พวกเราวิ่งหนีล่วงหน้ามาก่อน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 เสือนั่นกับขยินก็แบกของวิ่งอ้าวมาเดินไม่ได้มองย้อนหลังเลยนอกจากจะมาหยุดรวมพลอีกครั้งตรงตำแหน่งนี้พอสบตากระจอมพรานผู้เปียกมาหลอกมาแลกคลุกโคลนไปหมดทั้งตัวพรอวิ่งหกลม้มหกลุกก็ยิ้มฟันขาวชนิดที่รพินอยากจะถีบให้สักเปลี่ยนําหน้าต่อไปกลับออกไปทั้งเดิมก็สั่งเสียงหุหน่นหุนใบหน้านั้นยิ้มพรายกว้างออกไปอีก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 แฝงปริศนาให้ต้องคิดหนักเพียงไม่นานนักทั้งหมดก็เข้ามาสู่ดงที่แลเห็นค้างคาวห้อยหัวเกกกะอยู่บนยอดไม้สูงอีกครั้งต่างสอดสายสายตาค้นหายอย่างระมัดระวังนั่นไงห้อยหัวอยู่นั่นกลุ่มหนึ่งชายันค้นพบก่อนเพื่อนรีบชี้มือบอกโดยเร็วทุกคนเงยแลตามที่หมายชี้บอกและเห็นสัตว์ประเภทค้างคาวเกาะห้อยหัวอยู่บนกิ่งไม้สูงลิบ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 ถอยถูกเถอะรพินยกมือขึ้นขยี้ปลายจมูกอย่างขัดใจไม่กล่าวคำใดทั้งสิน้นส่งไรพฟิลของตนเองไปให้ใชายยันช่วยถือไว้เดินลุยน้ำเบาๆตรงเข้ามาที่รากไม้สูงที่โผล่เหนือน้ำตอนหนึ่งจับปืนซิงเกิลแอคชั่นแบบซูเปอร์ซิงเกิลซิกกระบอกนั้นไว้ในมือทั้งสองและวพาดมือกับรากไม้หาฐานยิงอันมั่นคงที่สุดเล็งไปยังตัวหนึง่ง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 กลับเข้ามารวมกลุ่มอย่างสงบส่งปืนคืนให้เจ้าของแล้วกันกระพินยิ่งผิดก็ทำไมถึงไม่ยิงอีกเล่านัดที่สองที่สามก็ของถเขาเองแหละดารินร้องพรานใหญ่ไม่ตอบแต่ขมวดคิ้วทำหน้าเคร่งนิดนึงขนาดนั้นเองแงาซรายก็พาดคานหาบของตนไว้กะกิ่งไม้โดยให้ขยินถือไว้อีกข้างนึงก่อนเพื่อไม่ให้สัมภาระหย่อนลงถึงน้า ตนเองเดินผลาจากหมู่ทั้งหมดลุยน้ําสวบๆตรงเข้าไปที่ใต้ต้นไม้ตรงระดับกับที่กลุ่มค้างคาวห้อยหัวอยู่ยังไม่ทันที่แง่ทายจะเดินเข้าไปถึงดีเจ้าตัวที่เป็นเป้าหมายการเล็งของพรานใหญ่ก็ปล่อยตัวจากกิ่งที่เกาะร่วงพลอยตกลงไปในน้ําตื้นๆ ต, ตรงหน้าของแง่ทายทำกลางการอ้าปากค้างอย่างงงงันของทุกคนอีกครั้งระหว่างที่แง่ทายก้มลงเอามือขี่ปอีกด้านนึง หัวร่องเร่งเข้ามาคณะนายจ้างทั้งหมดหันมามองดูหน้ากันเองแล้วมองไปยังเงยสายกับระพินสลับกันอยู่เช่นนั้นเห็นไหมไม่ว่าอะไรคู่นี้น่ะเขาทันกันทุกอย่างเรามองดูอยู่นี่เห็นตรงกันหมดว่าระพินยิงนัดนั้นนะ่ะผิดแต่เงยสายมันรู้ว่าถูกไม่ต้องมีสัญญาณ น, นัดหมายบอกกันด้วยอีกคนนึง ย, ยิงเอาไว้ อีกคนหนึ่งเดินเข้าไปคอยเก็บอย่างใจเย็นที่สุดพวกเราสิเข้าใจผิดกันหมดชัยันครางออกมาอย่างกลัวใจพร้อมกัะจุ ป, ปากโครงหัวเบาๆส่วนดารินไม่พูดอะไรนอกจากถอนใจยาวและตะหวัดหางตาคอนจอมพรานของหล่อนอย่างขวางๆทำปากหมุบมิดอยู่คนเดียวไม่ใครได้ยินแง่ไาซาเดินหิ้วเข้ามาถึงก็วางซาดเจ้าสัตว์ปีกหนังนอนหัวห้อยตัวนั้น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 โดยมองจากเบื้องล่างระยะห่างไม่เห็นอากับกิริยาสะดุ้งสะเทือนสแสดงว่าถูกปืนเลยเอถ้ามันจะไม่เหมาะแฮหน้าตามันก็บอกอยู่ชัดทีเดียวเห็นจะจริงอย่างที่เมตั้งข้อสังเกตไว้แล้วล่ะเชิทาพื้นพัมขึ้นเสียงต่ำๆสอยเปลือกตาทีจ้องซากของเจ้าสัตว์หน้ายักษ์ชนิดนั้นลักษณะมันจะเป็นนกก็ไม่เชิงค้างคาวก็ไม่ใช่ นอกจากเขี้ยวสองคู่นั่นแล้วฟันคมยังเต็มปากไปหมดถักกับนี่เป็นเวอร์ก์วะทันทีปากกว้างซะด้วยสิช่ยันกระซิบด้วยอาการตะครั้นตะครอขึ้นอีกคนนึงมันใช่พวกทโทรเด็กที่ลอยหรือเปล่านะเมดารินถามในระหว่างที่มาเรียฮอฟมันยังจ้องนิ่งเงียบกริบอยู่แม่สาวกัดริมฝีปากเบาๆและใช้กิ่งไม้เล็กๆ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 แต่สมมุตินะสมมุติว่ามันโจมตีเราพร้อมกันสักพันตัวแล้วป่าในบริเวณนี้ทั้งหมดนะฉันแน่ใจว่าจํานวนของมันนมากกว่านั้นซะอีกอ่ะลองคิดดูสิว่าเราจะป้องกันยังไงดวลเจ้าลูกปืนสู้รถกับมันนะ่เห็นไม่ไหวหรอกเพราะเป็นเวลากลางคืนและตัวมันก็เล็กคล่องแคล่วมากด้วยอืมเมยพูดก็น่าคิดนะเอาเป็นว่ากันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าเชื่อ์ท้าสนับสนุนมาอีกคนหนึ่ง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 เมื่อเข้าไปดูพี่ซากซึ่งหล่นลงมาก็พบว่ามันเป็นพันเดียวกับตัวแรกนั่นเองไม่ได้ผิดแผกไปเลยตรงกับที่มาเรียสันนิฐานไว้ร่มเงาของป่าบริเวณ น, นั้นมืดคลึมมากพระยอดที่แผ่ปกคลุมไว้ทึบจะพวกที่แตกเตืนเสียงปืนและพากันบินแตกจากกิ่งที่เกาะห้อยหัวนอนอยู่เริ่มจะบินโฉบฉวัดฉวีนป้วนปินเข้ามาใกล้ฝ่ายมนุษย์ที่กาลังเดินท่องนา้าเข้าขาบวนกันอยู่พร้อมกระส่งเสียงร้องคล้ายๆหนู และอันเนื่องมาจากเป็นสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืนในเวลากลางวันเช่นนี้จึงไม่สู้จะคล่องแคล่วรวดเร็วนักทว่าการบินโฉบเฉียดตามหน้าและศีษะอยู่ไปมาอย่างใกล้ชิดบ่งรูปการที่ไม่ค่อยจะดีนักทำให้ทุกคนต้องดึงมีดประจำตัวขึ้นมาถือไว้เรียมหวดกระนำฟันสวนหากมังพุ่นกรงเข้ามาและเร่งฝีเท้าท่องน้าผ่านบริเวณนั้นออกมาโดยเร็วที่สุด เชดาใช้ทางแบนของดาบเดินป่าที่ขอยืมมาจากบุญคำไปสวนตกน้ำไปสองตัวขณะที่มันโชว์ผ่านศีษะเ้าแล้วฟันมันขาดตายอยู่ตรงผิวน้ำนั่นเองต่างพากันโล่งใจเมื่อโผลกมาพบชายทุ่งหญ้าท่ามกลางท้องฟ้าอันกระจางแจ้งแจ่มใสอีกครั้งรับพิงจับทิศอยู่ชั่วอึดใจเดียวก็ออกเดินนาใช้มีดฟันหญ้าและกลกที่ขึ้นอยู่ท่วมีษะแหวกทางไป พร้อมกับส่งเสียงตัเพิดเบาๆในลำคอเป็นระยะเพื่อล่สัตว์ที่อาจซุ่มตัวอยู่ให้ลีกทางซะก่อนที่จะประจันหน้ากันอย่างเผาขุนเส้นทางนั้นบายหน้าอ้อมขอบทะเลสาบไปทางด้านตะวันออกโดยตัดไปในทุ่งหญ้าสลับไปกับละเมอะและเนินเตี้ยๆหุนทางเดินบางครั้งก็เป็นป่าหญ้ารกสูงท่วมหัวและบางครั้งก็เป็นบริเวณที่โปรงโลก อุดมไปด้วยหญ้าแตกระบัดร่องรอยของสัตว์นานาชนิดยังแลเห็นอยู่ได้ทั่วทั่วไปตะวันสายแผดแสงร้อนแรงกล้าขึ้นทุกขณะแต่ภูมิประเทศอันชุ่มชื่นและลมที่โชยอยู่ตลอดเวลาช่วยให้การเดินไม่ทรมานมากนะักเกือบจะมีเรื่องตื่นเต้นถึงเลือดเนื้อเกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่าางเมื่อทั้งคณ ะ, ะเผชิญกับแรดอาร์ซีนอยขนาดใหญ่สองตัวระหว่างตัดทุ่งหญ้าจะใต่ขึ้นเนิน เจ้าแรดสองตัวนั้นกำลังนอนเกลือกปลักอยู่ชนิดที่พอเดินเข้าไปใกล้ประมาณ40เมตรมันก็โผล่พรวดชูคอขึ้นมใม้เห็นราวกระรถถังในที่สุดโชคดีที่มนุษย์เป็นฝ่ายอยู่ใต้ลมและรพินหาทางเดินเลี่ยงอ้อมหลบไปได้อย่างชนิดแคล้วคลาดบุดวิดทั้งคณะไม่ปรารถนาจะยุ่งกับมันโดยไม่จาเป็นเพราะเห็นฤทธิ์เดชความทรหดของมันมาแล้วสัตว์ประเภทกินพืชลาตัวอบลาสัน บนหลังเต็มไปได้วยน้ำแหลมคมแทนอาวุธหรือเกราะ บ, บ้องกันตัวอันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของโลกหลงสำรวจอีกสองสาชนิดก็ทำเอาคณะเดินทางทั้งหมดแตกเตือนรวนเรกันขึ้นอยู่บ่อยครั้งที่เผชิญหน้าอย่างกระชั้นชิดโดยไม่ทันรู้ตัวก่อนแต่ครั้งแล้วครั้งเล่าทุกคนก็ปลีกรอดปลอดภัยไปได้ด้วยไหวพริบ ป, ปฏิพันธ์ของจอมพรานที่จะหาทางหลีกมากกว่าจะประทะประกอบกับพื้นความรู้ในทางโบราณชีวาศาสตร์ของมาเรีย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 จอมพราก็อยู่ในระหว่างการชั่งใจว่าเขาจะนำคณะตัดเข้าป่าลุ่มตามขอบทะเลสาบซึ่งมีลักษณะเหมือนเวิงอ่าวซึ่งเป็นระยะที่แลเห็นทุ่งหญ้าเบื้องหน้าออกไปไม่เกินสามกิโลเมตรหรือจะเลือกเดินในที่ดอดแต่จะต้องอ้อมขึ้นไตเนินสลับซับซ้อน ส, สูงสูงต่ำาๆที่ขวางหน้าเหล่านี้ไปในระยะไม่น้อยกว่าสิบกิโลเมตรแลวเขาก็บอกถึงการชั่งใจนี้ให้แก่คณะนายจ้างพร้อมทั้งเสนอขอความเห็น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 เชษาเห็นก็รำคาญเต็มทีหลวงสิก้าส่วนตัวมาส่งให้อีกตัวหนึ่งยอมพรานพึมพำขอบคุณพร้อมกันยิ้มให้แต่แทนที่จะจุดสูบกลับใส่กระเป๋าเสื้อเก็บไว้อย่างบรรจงมวนบุรีใบตองต่อไปอย่างใจเย็นแล้วใส่ปากคาบจุดไปสูบก่อนจะตอบเรียบๆว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆผมไม่อยากจะเลาะเรียบชิดฝั่งทะเลสาบมรณะนั่นอีกเลยนะครับ อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับเราจะต้องเดินลุยอยู่ในน้ำและในบริเวณที่อับทึบนะถ้าฉุกเฉินอะไรขึ้นแก้ไขลําบากมากครับตรงนั้นเป็นบริเวณเวิงลักษณะเหมือนอ่าวด้วยนี่ในการหาหรือเกี่ยวกับเส้นทางขึ้นหน้าทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมคุณถึงไม่ลองอย่างเสียงแง่ทรายดูบ้างละ่ะนายพรานดารินข้องใจพรานใหญ่ยักไหล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 ต่อไปนี้นะ่ยมันก็อยากจะอยากจะดูผมเป็นคนนําบ้างต่างหากอ๋อนี่เขาบอกเช่นนั้นเหรอเปล่าแล้วครับแต่สายตามันบอกอย่างงั้นเหลวไหลหนะ้าคุณจะคิดอคติเช่นนี้กับแง่ทรายจนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่งนี้ยังไงคุณหมอคนสวยทําเสียงตําหนิแล้วก็ตัดบทโดยการกวักมือเรียกแง่ทรายผู้นั่งกอดเขานิง่งอยู่คนเดียวเข้ามา แล้หล่อนก็ถามเพื่อขอความเห็นเจ้าคนที่มีสมรรถภาพเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของคณะเดินทางหันไปมองฝั่งทะเลสา์แล้วก็เบือนไปทางลูกเนินอันเป็นทางอ้อมอุดใจหนึง่งก็บอกหน้าตาเฉยว่าสุดแล้วแต่ผู้กองกับเจ้านายทุกคนจะเห็นสมควรนะครับโธ่ไอ้เทโรดักทีลอยไปเดี๋ยวก็ถีบ ชั ย, ยันสบุด่าอย่างหัวเสียง้างตีนขึ้นแต่แง่ทายเดินออกพ้นรัฐสมีตีนยาวๆของชัยยันไปซะแลว้วในการรวมหัวเพื่ อ, อยังความเห็นไปยังทุกคนแม้แต่พวกครานพื้นเมืองต่างก็มีความเห็นตรงกันหมดที่จะให้ใช้วิธีย่นระยะยอมเดินลุยน้ำในป่าทึบที่ลุ่มริมขอบทะเลสาบไปตกลงเช่าตัดสินใจเลือกทางอย่างน้อยลองดูก็ได้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 ที่แรกก็เว้นระยะห่างๆกันออกไปพอจะมองหินทองฟ้าได้บ้างต่อมาก็เริ่มจะทึบขึ้นเป็นลำดับเท่าๆกับที่ระดับน้ำขังตามพื้นที่ก็ลึกลงไปทุกทีระพินคงทำหน้าที่เป็นผู้นำอยู่เช่นเดิมด้วยสัญชาตญาณจอมพรานของเขามีแนวคันดินหรือสันดอนโผล่อยู่เป็นระยะๆไประหว่างพื้นที่น้ำท่วมนั้นพรานใหญ่พยายามเลือกทางเดินไปตามสันดินเหล่านั้น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 ทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงบและสนิทนิ่งราวกับภาพวาดผิดกันเป็นรงข้ามกับที่อยู่ชายทุ่งเบื้องนอกซึ่งมีลมโชยอยู่ตลอดเวลาในที่สุดยมพรานก็นำคณะทั้งหมดมาหยุดชะงักนิ่งอยู่ที่ปลายคันดินแถบสุดท้ายก่อนที่จะไปสู่คันดินอีกฝั่งหนึ่งระยะห่างออกไปร่วมสามสิบเมตรเห็นโลเป็นสันอยู่เบื้องหน้าตรงหน้าเขาคือน้านิ่งสีเข้ม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 ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยอาการใคร่ครวนครุ่นคิดลักษณะของมันเป็นใบเหมือนบัวกระดกแต่มีขนาดใหญ่กว่าประมาณเท่าตัวต่างใบรัศมีวงกลมสีเขียวสดอยู่ใต้น้าระดับเหนือพื้นดินขึ้นมาเล็กน้อยปรากฏกระจายอยู่ทั่วบริเวณทั้งสองฝากฝั่งสันดินที่พากันมาหยุดยืนกันอยู่สิ่งที่น่าประหลาดก็คือแต่ละใบของพืชอันมองประดุจใบบัวใต้น้ำชนิดนั้น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 ยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นโดยไม่ขยับขยื่นกว่าตาไปรอบๆทั้งใกล้และไกลออกไปรอบตัวอย่างแนวน้ำนั้นดินข้างใต้เป็นโคลนเหลวนะครับในที่สุดเขาก็บอกมาเสียงต่ำๆถ่าทางไม่ปลอดโปรงนะักระดับน้ำแท้จริงนะ่อาจไม่ลึกนะักแต่โคลนมันจะช่วยให้ลึกลงไปอีกช่วงระยะที่เราจะลุยกันไปจนถึงสันดินฝากโนนก็ห่างไม่เช่นเล่น โดยเฉพาะพวกแบกของหนักน้ำหนักของจะกดตัวให้จมลงไปอีกผมเกรงว่าสัมภาระเราจะเปียกหมดครับอ่ะแล้วเราจะทำยังไงล่ะทางเลี่ยงอ้อมไปด้านอื่นก็ไม่มีด้วยสิผู้กองชัยยันว่าเตรียมตัวลุยน้ำเต็มที่ขยับจะแย่เท้าก้าวลงไปเป็นคนแรกแต่ฟามือกล้างกลงของพรานใหญ่เหนียวไหลวายไม่พูดคาใดเพียงแต่ยิ้มให้นิดนึง พร้อมกับสั่นศีสะแทนคาห้ามและดีดนิ้วเรียกแงาสทายเข้ามาแง่ทรายเราต้องการย่างว่าระดับน้ำจะลึกสักแค่ไหนความเหลวของครนตรงกลางนั่นด้วยเอาเป็นว่าแกทิ้งสัมภาระไว้นี่แหละเดินตัวเปล่าเป็นเรือนำร่องลงไปก่อนเราจะได้สังเกตเห็นตามทางที่แกเดินไปแล้วเดินตามร่องน้ำของแกไม่ต้องห่วงห้ามนี่เมื่อเดินไปถึงแล้ว ขึ้นไปรอสันดีนนท์ฉันจะแบกหาบนี่คู่ไปกระขคยิยนไปให้แกเองงะท า, ายยิ้มละไมยอยู่ในหน้าไม่พูดจาว่าฐานเกี่ยงงอนคำใดทั้งสิ้นจัดเตรียมกายให้รัดกุมอยู่อึดใจก็ทิ้งคานหาบไว้คงมีติดตัวอยู่เฉพาะสัมภาระส่วนตัวและไร่เฟินค่อยๆแย่เท้าลงไปในพื้นน้ำนั้นอย่างเช่มช้า